ทำได้แค่สมถทกรกามฐานสมถทกรกามฐานนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้มันไม่เคยว่างไปจากโลกเลยในาศาสนาอื่นก็มีสมถทกรกามฐานหรือสีชีพไรเขาก็ทำอย่างาศาสนาคริสต์นะก็ไปร้องเพลงในโบสถ์ร้องเพลงจิตใจมีความสุขมีความสงบมันก็คือสมถท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 อย่างหมามันถูกไล่ตีมก็วิ่งหนีนักปฏิบัติประจิตฟุ้งซ่านก็หลบเข้าหาความสงบก็หนีเหมือนกันคนธรรมดาธรรมดากลุ้มใจมันไปกินเหล้ามันก็หนีเหมือนกันไปดูหนังไปฟังเพลงเผลอเลอเพลิเลเลนเนไปวันวันหนึง่งมันก็รู้สึกว่ามีความสุขมันมีความสุขด้วยการหนีความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนชาวพุทธให้เป็นคนขี้แพ้ขี้หนีอย่างนั้น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 ท่านพุทธทาท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่บุทธาท่านเรียกจิตเดียวเมื่อไม่กี่วันนี้องค์ไหนนั้นท่านเรียกใจเดียวหลวงพ่อคำเขียนพ่อคเขียนใจเดียวสำนวนไม่เหมือนกันนะแต่เนื้อหาเดียวกันงั้นเราพาคเพี่ยนเล้นะเรายังมีโอกาสเพราะเรายังได้ฟังธรรมเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ละ